เลยความธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้ากันเรกคือธรรมจักกะปวัตรสูตรเราจะทำอย่างไรจะปล่อยทิ้งร่วงเลยไปตามเดือนตามปี ไม่เอ า, าพาประกอบไม่เอามาปฏิบัติแล้วก็มีกายมีใจสามารถเกี่ทำสิ่งเหล่านี้ได้เรามีอะไรที่พระเจ้าแสดงอะไรถูกอะไรผิดอยู่ในตัวเรานี่เรามีผู้ทำ สิ่งที่ผิดให้หายผิดไปแล้วมีผู้ทำสิ่งที่ผิดให้ถูกได้เกิดขึ้นแล้วในคนจำนวนมากเราอยู่ในฐานะเช่นไรการถืมมองตนสิ่งที่ผิดที่ถูกก็เกิดขึ้นเจอเรา ได้เห็นได้ทำกันอยู่ได้สัมผัสอยู่แต่เมื่อเรามีสติจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับชีวิตเราถ้ามีสติมันก็สามารถเปลี่ยนได้ทุกอย่างในสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ถูกต้องได้เป็นสติเป็นตัวฉเฉลย เป็นตัวกำกับเป็นคู่มือในการใช้ไปนในการในใจเหวนเครื่องมือใช้ในการก่อสร้างการขันให้แน่นการไขให้ออกสัวทีนี้เป็นกุญแจอดอกเอก ดีใช่เลยกับกากับใจเรื่องที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องได้ถ้าเราจบฏิบัติในสิ่งที่ผิดที่ถูกที่เกิดขึ้นกับกากับใจจาเป็นต้องมีสติและผูเจ้าก่อนจะได้เทศนาเรื่องนี้ได้ทำมาลา ให้นั่งคู่แฉงเข้าเหยียดแังออกมีความรู้สึกตัวในวันเพ็นเดนหกอะไรเกิดขึ้นขนาดที่รู้สึกตัวไปในกายนั่นนะไม่ได้ฟรีเลยจะได้เห็นอะไรมากมายที่เกิดกับกายกับใจพระองค์ได้ทำอย่างไรก็บอกแล้ว ในกรรมฐานในวิธีปฏิบัติในการกระทำนั้นเป็นสูตรที่เราได้ฝึกหัดอยู่นี่เอาสูตรนั้นสูตรในเันเพย์เดอนหกนั้นมาทำก่อนที่พระองค์จะได้ตดรัสลู่เด้วทําจีนเรานี้ก่อน มีจติตป็ปในกายยิเป็นประจำเหมืนก็ได้พูดมาวันนี้ว่าเห็นกายสว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่นควมเห็นอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจเห็นอย่างนี้ได้ทำลงไปแล้วสักแต่ว่าแล้ว สุดยอดแล้วตั้งแต่เบื้องต้นถ้าสุดยอดตั้งแต่เบื้องต้นท้ากลางก็สุดยอดที่สุดก็สุดยอดไปเรื่อยๆเพราะมันถึงยอดจึงไปทําให้สุดยอดในทุกเรื่องที่เกิดกึ้ปากับ ใ, ใจเราไปทำอะไรกายสวรรค์ก็มเห็น ไม่ใช่คำพูดสติสเฉลยไปแล้วจึงเป็นสัญญาเป็นบันทึกเหมือนคอมพิวเตอร์บันทึ ก, นท ก, นทกในสมองแทนที่ตัวตนที่เกิดขึ้นกับกายเอามาเป็นตัวเป็นตนหาย็ปแล้วจึงได้ว่าสัจจะว่า ตัวตนที่เกิดกับกายมากมายเกิดในกายอีกกายในกายมีกายแล้วม่พอมีกายอีกอมรเป็นทุกข์เป็นโทษมากมายต่อไปแมงขันห้าเป็นอุปทานเป็นพวกเป็นชาติในการเกิดนั้นเกิดทุกข์ตากายมากมายหลายยาง เกิดดัเกิดดับเกิดดั บ, ดบ เ, เกิดดับเห็นว่ายตายเกิดจึงเห็นเล่าจากแต่ว่จาจบลงไปแล้วอะไรเกิดขึ้นมาในกายแล้วก็เป็นสายไปเป็นสายไปเป็นหมวดเป็นหมู่ไปเห็นนั้นหนึ่งก็เห็นนั้นหนึ่งพรามันอยู่ด้วยกัน มันของที่อยู่ด้วยกันเห็นเวทนาที่เป็นจบเป็นทุกข์นั้นเห็นจิตที่มันคิดเห็นธรรมที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเป็นธรรมารมถืเกิดกับกากับใจความใจก็มีเห็นคองโกรธ เหมือนทำมาลมไม่ใช่ใจเปิดได้เพราะความคิดเพราะมันมีตามีหูเอาหมอผงยินดีพอใจไม่พอใจเปิเป็นตัวเป็นตนในความคิดเยอะแยะในเวทนาในความสุขก็เยอะแยะติดความสุขเป็นความทุกข์ติดความสุขเป็นความสุข งั้นงั้นคนติดเชิงเสบติดเป็นพวกเป็นชาติอยู่ที่นั่นแล้ว <c oughs> หลายก็ต้องเสียชนพ้นจนจี้จนค่าเพื่อได้เงินมาซื้อเชิงเสพติดคือเวชนา ตกเป็นธาตุของเวทนาแม้จะเป็นกิเลสตัณหาหลาคะก็เป็นพบเป็นชาติทอมลมลมโกรธแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนเสียเปรียบควมโกรธมาเท่าไหร่เสียเปรียบวมทุกข์มาเท่าไหร่แล้ว เอาความโกดเอาความทุกข์ที่เกิดกับจิตมาเป็นตัวเป็นตนทําตามมันพอมีสติมันเห็นสี่ด่านนี่ขึ้นสุดยอดแล้วสูงแล้วนี่ในวันเพลนนั้นในวันตัดสรุแล้วอะไรเกิดขึ้น กับกายกับใจถ้ามีสติได้เห็นได้สอนตนเดงได้เปลี่ยนความชัว่วได้เป็นความดีเปลี่ยนความล้ายเป็นความดีเปลี่ยนความผิดเป็นความถูกมากมายหลายอย่างมันกอบเป็นกำขึ้นมามีกำลังใจนะด้วยวงธรรมเทศนา ยิ่งเราได้ไปเห็นที่แสดงธรรมเทศนากันนี้ที่อิศิปตนะมฤคธายวันก็นยังมีอยู่ไปจัตุูกิย่อยเดินรอบจัตุูกสามร้อยขัวเก้าสามร้อยเจ็ดสิบเก้าขนาดหินกงทางเดินรอบหินค้งวัดฝาสุโกโตนึ่ สามร้อยกวเก้าไม่ใช่ใช่นะสามร้อยกัวเก้าอีกชี่พัฒนะาคื อ, อที่ปลดปล่อยสัตว์โลกเราเคยทุกข์กับปล่อยไปแล้วปล่อยปดปล่อยวางไปแล้วเปิดพลังงานขึ้นเดือ น, น ในกรรมเทศนากันนมีอัญญาคนอัญญะวัปปะปัิยะมหานามะอจฉิและก็มียศาากุลบุตรพ้อมด้วยชายอีกสี่สิบห้าคนหกประมาณห้าสิบหกสิบลูกเกิดึ้นที่นั่น ที่กว่านินาพพานก็ได้เห็ น, เ ห, นเห็นล่องเห็นลอยที่ตัดสรูกก็ได้เห็นที่ประสูดก็ได้เห็นมีหลักฐานมีกําลังใจจ้าได้ไปเห็นได้ปฏิวัติธรรมได้มีรสพระธรรมในชีวิตบ้างได้ไปดูสถานที่นั่นมันก็ เกิดปติกิเกิดความยิดดีเกิดความไปท้อถอยในีความดีมีตัวอย่างมีแบบฉบับในการนั่งใจเรานี่มาถอะไรจะเกิดขึ้นที่ไม่ถูกต้องมีสติเป็นที่จะได้ดูเมันเจ้าของมีสติเป็นเจ้าของกายมีสติเป็นเจ้าของ จ, จิตใจ มีอำนาจเป็นธรรมที่สุดแหละจะมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นแน่ น, นอนที่กายที่ใจเรานี่ทำไมเราจึงไปยอมให้มันหลงให้มันโกรธให้มันทุกข์เกิดเหตตั้งวหาลาค่ะรลับใช้มันในรูปในรสในกลิ่นในเสียง เสียชาติตปรปเปเ่าแล้วว่าไม่อะไรเกิดขึ้นเลยทั้งๆที่มีค่ามากชีวิตของเรานี่ต้องไม่เป็นพุทธะก้นนะได้ในข่าวสำงานเราจะใช้กายคิด ใ, ใจเราให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดตัดทิ้งใจด้วยความเป็นธรรมเป็นเกณฑ์ชีวัด จะเกี่ยวกับอะไรก็าตามเอาเกณฑ์คิวัดในตัวเรานี่เป็นการตัดสินในความถูกต้องไปเกี่ยวกับทุกเรื่องทุกอย่างแผ่นดินแผ่นพาดแผ่นดินเม็ดตินเม็ดถินเม็ดทรายแ ม, ม่น้าอากาศจัดสาลาสิ่งผู้คนด้วยมีอยู่จริงในโลกนี้ สิ่งที่อยู่ในโลกนี่จะทำความดีกับสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี่ให้มันปานนั่นนะชีวิตของเราจางทีคุ้มค่ายิ่งเราเป็นสัตว์สังคมมีพ่อมีแม่มีพี่ ม, พมีน้องลูกหลานสามีภรรยาผู้ายอาต่อใจเราจะทาความดีเดี๋ยวก็ตายจากกาันไปมาแต่ทม เสียใจชอบไปเสุดแล้วนี่เรายังมีชีวิตอยู่นี่ยิ่งพวกเราเป็นพระเป็นนักบวดอยู่วัดวาอารามมีโอกาสเต็มที่มีสติสติก็มาดิขอใครประกอบขึ้นบ่าย ยกเบือขึ้นรู้จึกตัวเคลื่อนไหวไปมารู้จึกตัวโอมีมีอาศัยกายอาศัยใจเนี่ยเป็นที่ตั้งของความรู้จึกตัวจะให้เป็นตั้งอันอื่นมาตั้งอจะให้ความโกรธความโลภความหลงความรักความชังความสุขความทุกข์มดตั้งที่กายที่ใจมันไม่ถูกต้อง มีสติพระเจ้าของบอกสิ่งที่ไม่ดีหนีบไงไม่รับไม่ให้ค่าไม่มีที่ให้อาศัยบอกคืนไปแล้วมีสตินะบอกอะไรหนีไปหลายอย่างหลายเรื่องถ้ามีสติได้พานอะไรมาพานความผิดมาเป็นความถูกแต่น้อยความถูกจากความผิดด้อยความไม่ทุกจากความทุก ได้ค ว, มไมความหลงจากความหลงต่ามีสติเหมือนผู้เจ้าแสดงมีประวัติสามเมการสิบสองความจริงได้เห็นความจริงเป็นอย่างนี้ตัดสู้อริสัตย์สีนีทุกทำไมจะไม่เห็นทุกนะั้น ตก็ไม่เห็นเหรอเวลาโกรธไปส่องกระจกดูเป็นยังไงหน้าตาคนทุกขคนโกรธเป็นยังไงทุ ก, กเป็นยังไงยิ้มได้ไหมายเวลามันโกรธทาไมจะไม่เห็นแต่คนที่ไม่มีสติไม่เห็นเอาความโกรธมาเป็นตัวเราไปเลยทําตามความโกรธเสิยผูเชียวคนก็พ่อค้าแม่ก็ได้ ทำอะไรก็ได้นะ้แวแเราเนี่ยเราเนี่ยทำยังไงเลยมนุษย์เราฉลดประเสริฐยังไงเราจึงทําได้ชื่อเราเนี่ยปฏิบัติได้ให้ผลได้มันหลงไม่หลงก็ได้มันโกรธไม่โกรธก็ได้ทําไมไม่ทำไปทําตามมันทําไมมันไม่ดี ไปจินเล่าไปสุรีไปเริ่มการพนันเป็นนักเลงการพนั้นเป็นนักเลงผู้หญิงเป็นนักเลงเล่าวิกเกียดที่ข้านควบคนชั่วไปเม็ดคนดีๆทาไมไม่ครบับบางทีคนดีบอกอยากาโกรธเพื่อนไม่เป็นเราช่างหัวมันมเถอะไม่โกรธไม่ได้ถ้าไม่โกรธเหมือนหมาตัวหนึ่งจะว่าขนาดนี้ ปฏิราคาคนท่ไม่โกรธเหมือนหมาเห็นของจัดเป็นดอกผัวเห็นชัว่วผมชั่วเป็นดีทำตามก็จันจะเสียใจเวลาแกเจ็บตายมาลองไห้เสียใจยตกตะลกกันเป็นแถวถ้าหลงเป็นหลงตกตะลกเท่ากับขนโค ตอทุกเป็นทุกตกนรกเท่ากับขนโคถ้าหลงเป็นหลงไปสัตว์หรือฉานเท่ากับขนโคล้ากลลกลโาาากดาากกกั้ ง, กงโกดตกนรกเท่ากับขนโคลทำตามความกิริสตัหนามากจนเกันไปเป็นท่าของความหยอกตัณหาต่อเยอะทะยานไม่รับผิดชอบขมกืนตกตนรกเท่ากับ ขนโคเป็นเปิดไม่มีไม่เป็นอยากตั้งปุ้นเอาไม่ทํางานอยากเจ็บตามก็ไปข่มขืนเราไม่รับผิดชอบฆ่าเราเนี่ยพวกเปิดตั้งนานเลยไม่รับผิดชอบไม่มีไม่เป็นอะไรไม่ยอมทํางานแต่ไปไปปุ้นเอาพวกไม่มีไม่เป็น แล้วิเพวาตถาตัณหาตัณหาพอให้จกบหายพะวาตัน า, น า, า, า, นาก็อพอพอที่จะอยู่ในโลกได้บ้างพาวาตัตหาก็รับไิชอบมีลูกมีเมียมีมพ่อมีแม่มีความรักเดี่ยงดูกันด้วยการรับไิชอบนะเชอ วิภาวะตัณหาเราเดือดร้อนเ พ, พราะวิภาวะตัณหาทุกวันนี้เกิดอยู่ในคนแม้จะเดินทางแต่หนทากงาาก็หัวพวกวิภาวะตัณหาไม่รับป็นชอบการใช้ทางใช้รถใช้เรือไม่เป็นระเบียบเอาทิฏิของตัวเอง บางทีไหนก็เดือดร้อนเม่แต่อยู่ในห้องน้ำหลังที่ห้องน้ำเขาก็เอาขันดีเขาก็เจาะให้มันมีหลูทะลุเพื่อให้คนได้แม่แตใช่เพราะวิปวตัญหามันเอาไว้กระทั่งขันน้ำในห้องน้ำเจ็มไปหมด เาชวนก็นเป็นคนดีนับหนึ่งจากตัวเรานี่ก่อนปฏิบัติไปล้วก็มีการมีใจเอามาสร้างความดีรวมดีเกิดขึ้นดีกาใจมันเป็นมรรคผลนิพพานใจปล่อยวางก็ได้นิพพานเนี่ยนี้เย็นเดี๋ยวนี้ใจดีเดี๋ยวนี้ก็มีสวรรค์ซะอยาไปติดดี พอ้อยความเดียวออกไปว่างเปล่าเป็นนิพพานว่างว่างว่างวางใจนี่ไม่ยากว่างใจวางใจสร้างมักสร้างผลมาไม่ยากเหงื่อไม่ไหลวางใจไม่ต้องไปไหนวางใจวางว่างวิธีวางใจก็มีิติ มีใจพูดในใจกับไม่เป็นไรพูดในใจจ้ะอะไเกิดขึ้นไม่เป็นไรต่อไปอีกสักคำหนึง่งจ้ะช่างหัวมันต่อไปอีกสักคำหนึง่งจ้ะเป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเองหลังจกความเจ็บความตายเป็นชั่วหนเลยจริงได้จุดหนึ่งเกิดขึ้นธรรมดาจุดนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดา ยังกิงกี่สมูกต่ยะทำมังสะพันสังโลทำมันตีที่ฟังพระธรรมเ ท, ทศนาเมื่อกี้นี่วลหลงที่นี่ยังกิงกี่สมุกตยะทำมังสะพันตังโลทมบันตีถึงได้จินหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาจินนั้นก็ดับไปได้เป็นธรรมดามันหลงเกิดขึ้นไม่ลงหลงก็ได้มันทุกเกิดขึ้นไม่ทุกก็ได้ อะไที่ไม่ดีเกิดขึ้นทําความดีแทนทำไมไม่ทําไปทำตามความชั่วเราเกิดมาถึงวันนี้ปุณนี่ควมหลงกับความรู้อันไหนมากกว่ากา่ากาอนเหรอไหมเวลาเรามีสติันจริงไปทางไหนบ้างความหลงน่ะหลงเรื่องใดบ้างบางทีเอาของโกรธมา ตา ม, มาที่นี่ความทุกข์ตามมาไม่ได้บางลงท่านเหนความทุกข์มันก็ไม่ใช่ตัวใช้ตนอะไรยมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับจิตด่าการเกิดกับจิตมันเป็นไม่ใช่จิตเราเห็นไม่แต่เห็นรูปเห็นนามจิตที่เกิดขึ้นกับจิตเป็นดอางการแลนั้นไม่ใช่จิตเดิมเดิม สที่เกิดขึ้นกับกายกป็เวลาการท่านนั้นไม่ใช่กายเป็นนาจาักแต่ว่ากายอันร้อนก็มีความเหมือร้อนเหมือนกันคนที่ร้อนก็เป็นทุกข์คนที่ร้อนไม่เป็นทุกข์ก็มีเหมันหนาวก็หนาวเหมือนการคนที่หนาวเป็นทุกข์ก็มีคนที่หนาวไม่เป็นทุกข์ก็มีเหมือนหิวข้าว คนที่หิวเป็นทุกขก็มีคนที่หิวว่าเป็นทุกข์ก็มีขอบคุณอาการที่มันเกิดขึ้นจากกายจากใจจะได้รู้มีสติจะได้วางใจจะได้วางใจเกิดอะลรขึ้นออกับกายกับใจวางใจสงจุดอาศัยกายอาศัยใจอาศัย รวมลว ม, ลมที่หลมหายใจมีสติกับหลมหายใจก็พอแล้วในโลกนี้มีกาได้หายได้มีสติได้หายใจเข้าหายใจออกสุดยอดเท่าแล้วอะไรที่มันมากกว่านี้มีที่ไหนบ้างก็อยู่โ น, น่นลูกเมียจับเึีงเ ง, นงินทองรถจนก็อยู่โ น, น่นแต่เราเดี๋ยวนี้นั่งอยู่นี่หายใจเข้าหายใจออก ลูกชะตัวนี้เป็นสมบัติของเราที่สร้างมากสร้างผลไปแล่อนไปไกลทำามคิดอะไรรักลูกต้องเมียมาได้หลายความรักอ่ะต้องเป็นคนดีเดี๋ยวนี้ความรักเ่วยอะไรมาได้แต่ต้องดีเดี๋ยวนี้ช่วยได้ลูกก็เราก็อยากให้พ่อดีหัวเมียเราอยากให้ผัวดีเมียดีพ่อแม่ก็อยากให้ลูกดี เราต้องดีเดี๋ยวนี้ลักความชั่วเดี๋ยวนี้จริงจังชื่อว่าความรักแล้ว ก, ก็รักแม่รักลูกต้องเมียรักพี่รักนอ้องก็ต้องเป็นคนดีนี่สันติเปลี่ยนความชั่วเป็นความดีเดี๋ยวนี้มันสช่แบอะไรอารมณ์ิดถึงคิดถึงหลานคิดถึงน้องใช่เอาความคิดไปเปลี่ยนความรักมานไม่ใช่ คิดถึงหลานก็เป็นคนดีเมื่อแต่คิดยังก็ห่วงยินก็มาได้นอนไม่หลับคิดถึงคนนั้นคนนี้เก็บค่อยเด็ป่วยปรยุ่งยากกับเขารอกษาตัวให้ดีมีสติเนี่ยมีความรักแค่คือรักตัวเองรักความดีไม่ให้ทุกต์เดือดร้อนในกาใยในใจเรานี้ทําได้ ไปเปลี่ยนความชั่วเป็นความดีไปเรื่อยๆนี่คือความรักปังต้นตัวนี้พระพุทธเจ้าเปยอดนักรักที่สุดได้นี้จากวาลาชวังออกความวดก็คือความรักไม่ไใช่ทิ้งทิมปาลาหุนคนเขินใจคนเจ็บ ค, ค, คนตาย หาวิธีจี้มาช่วยคนให้ตอบเรื่องนี้ได้เพราะว่าเห็นคนแจ่คนเจ็บคนตายเนี่ยมันทุกข์จะต้องมาช่วยกันเรื่องนี้จึงเสียสละจะรักแต่พิมพาพิมพาก็หวัาว่ารักสีตัทะ ศีรษาก็หว่ารักเปนพาแต่เรารักกันสองคนนี้ไม่พอต้องรักคนทั้งโลกวิธีรักคนทั้งโลกก็ต้องของช่วยเรื่องนี้คือความรักปฏิบัติทำคือความรักนะไม่ใช่เป็นความอยากแต่ตั้งจากความอยากมันจะไม่ถูกต้องอยให้เอาดังนั้นจะได้อย่างนี้คือความรัก สงคามดีอยากเดินจะกลมให้พ่อแม่ดูนั่งสร้างจว่าวให้แม่ให้พ่อมาดูนี่ลูกชายของแม่ดิลูกสาวของพ่อของแม่หนุ่งผ้าเรียบร้อยเดินจงกลมนั่งสมาีิหน้าตาวางไว้รับปกตินม่ลูกด้ยลูกดนแล้วก็มีระเบียบวินายช่วยเราอีกเห็น ลั่วเป็นขอบเฉดคิดแบบเป็นพิมพ์ยิ่งดีอย่างคิดก็ไม่ดีถ้าไม่ถูกต้องวินยัยโกรธกันก็มาได้ด่ากันก็มาได้เลาะกันไม่ได้วินยัยผู้ทียังไม่มาส่วว่าคงให้มานี่คือทําให้วินยัยผู้ที่มาแล้วให้อยู่เป็นสุกเป็นสุกนี่คือทำมาวินยัยพระเจ้าชวนในใจอย่างนี้ คิดไหนใจอย่างนี้ของพระองค์ระว่าเขียนเป็นตัวหนังสือผู้เทียงไม่บางอาส่วว่าของเราขอให้มาคิดอย่างนี้มาแล้วให้อยู่เป็นจุกเป็นจุกบาทีต้องเป็นผ่านหลวงไหวปอไว้ไวให้เพื่อให้มาอาศัย มีในโลกนด้เลยนะนก็วันทามาเครอมรักรักกันให้ได้ในะพวกเราที่อยู่ด้วยกันตาทะว่ากันช่วยเหลือกันอย่ากลัวได้ป่วยอย่าปล่อยกันทิ้งตั้งความรักความเมตตามหากำหังที่คุณ กนยากลักตลอดเช่นตลอดสายที่แรกออกวามว่าก่อความรักทุกยากอยู่ลาบากขนัดไหนคือความรักยังไม่ปล่อยทิ้งจ้เอาศึกษาเรื่องนี้หกปีจนเกือบจะตายไปก็ว่าได้ยังมีความรักตาเจ้าแล้วโอ้เป็นอย่างนี้ก็ไม่ คิดว่าจะนั่งเป็นอย่างนี้อีกมีใครน้องอรู้เรงนี้ได้จะสอนได้ไหม น, ไน้องเนี่ยบอกใครได้ร้องเนี่ยบางีก็ท้อวัฒนถเห็นเกิดว่าผมมาลาดนาให้แสดงธรรมจึงมาแสดงธรรมตามตํานานว่าอย่างนั้นจึงลาดนาธรรมผมมาจะโลกาที่ปติสัมพปฏิ เพราะผมรัฒนาให้แสดงธรรมถือถ้าไม่แสดงธรรมก็เป็นปัจเกกับผู้ธดเจ้าได้ตัดช่องนอ้อยเชวาะตัวก็หมวดไปเลยประนอพง์ แ, แสดงธรรมก็ควรเมตตา็แล้าพวกเราได้ยินไหมธรรมจักเมื่อที้ในไพ่เลาะที่สุดแล้วมีใครบ้านไหนฟังธรรมจักเกิดบาได้ฟังไหม ได้ฟังธรรมจักกับปวัตตาสูตรได้ฟังธัรมเทศนาพุทธพจน์ต่างๆอาถิต่างๆล้วนแต่เป็นความดีสอนกายสอนใจเราเนี่ยทำไมเราไปหาความชั่วมาใส่กายใส่ใจเป็นทุกมมข์ทำไมทำไมทุกข์กันแล้ว ไปโกรธทไาไมคําว่าโกรธกันแล้วเหนที่ทุกทีโกรธเป็นคนล่าสมัยแล้วเขาไปกันแล้วทุกวันนี้วางเดี๋ยวนี้เย็นเดี๋ยวนี้งองคนทุกคนเหมือนพระทีเจ้าวังเสียงทุกเสียงเหมือนเสียงพระสวดมนต์ดูคนทุกคนเหมือนเป็นพระทีเจ้า แม้เขาว่าได้เป็นพระเจ้าในวันนี้วันข้างหน้าปีหน้าเชัดหน้าเขาต้องเป็นพระเจ้าแน่นอนอยู่ที่ไหนมีนิพพานอยู่ที่นั่นเย็นที่นั่นทําได้ไม่ใช่ทําไม่ได้เย็นใจมันทําได้ร้อนกายจะเย็นใจอะไรที่มันเป็ทุกข์เป็นทุกข์ก็เย็นใจว่า ใจนี้มันทำได้ขว่า ก, กายกายมาตรงมีอบุคคลที่หนึ่งที่สองช่วยวัตถุที่หนึ่งที่สองมาช่วยใจใจน่างช่วยตัวเองได้แน่นอนคนอื่นช่วยมาได้เย็นเดี๋ยวนี้หวางเดี๋ยวนี้ น, นะเนะแต่มเมื่อวรใจเวลามันก็หมดเสียงกลับหาพ่อเหมือกัน